เอ่อต่อนี้ไปขออัญเชิญหลายโปรดสดับมหาปฏิปัฏฐานสูตรซึ่งเป็น แล้วก็ปักเสยยะสรีรังผมขอว่าเท่านี้คือซากศพที่เขาไว้ทิ้งแล้ว <c oughs> ไอ้ขึ้นของอืดมีสีเขียวน่าเกลียดเป็นศรีระที่ แล้วท่านกล่าวต่อว่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายใน ยังเห็นได้ธรรมดากับความเกิดขึ้นและความเสื่อมภายในกายบ้างก็รู้ว่ากายนี้มีอยู่ก็ เอ่อสําหรับข้อหลังเป็นวิปัสสนาญาณแต่เป็นอ้างสรุปรวบ 1 วัน 2 วัน 3 วันบ้างที่เรา เป็นร่างกายที่ผูกร่างกายจิตกินบ้างเป็นผูกร่างกายเป็นร่างกายที่เราปกครองจิต ที่เขาที่เหมือนแล้วในปัจชาที่เป็นแร้งกระดูกยังมีเมลและเลือดติดอยู่บ้างยังมีเส้นเอ็นและเส้นอยู่แต่ก็ลองก็ไม่รู้ในกายนี้ว่าทั้งกายนี้นี้กายนี้ก็ ที่เปื้อนไปด้วยเลือดแต่ปราศจากเนื้อ เพราะว่าน้อมมติกายกาวะระตายร่างกายเราก็จะเป็น ไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็น <c oughs> Heather bien, eiração Laurethana também Tabora de Gia. Alors, que as smoke de Gia horses Rinpoche, ele o pal kinder Henrique Osul. Eu esteja vertu, bem disse que este é um s polls deCR. Eu creio que пр 탓es Allán é o s polls de Rafa, Chineseиваем grún Zahlen. Então creio que à แต่ถ้าบังเอิญผมมีความรู้ท่านคิดแบบนั้นผมก็เลยลงเอาเวทีฉะนั้น คนบาสุกุมาสิกาก็พ้นจากความเป็นบาสุกุมาสิกาทั้งนี้เพราะไร้เพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเพราะว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้ามานั่งเหมือนว่าผมเป็นพระพุทธเจ้า <c oughs> ที่แนะนํานี้ความจริงเป็นคําแนะนําสั่งสอนขององค์สมเด็จ <c oughs> เพื่อจะปลึ่งคําที่มีความนวสีคือปาชาเพเพ 9 สร้างศอกมีลักษณะ 9 อย่างถ้าเรียกว่ากัน คนตายขึ้นอื่นมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็ส่ง ต่อไปเส้นเอ็งก็หมดเหลือแต่กระดูกเป็นท่อนกระดูกยาวเหยียดเป็นรูปของกายกายมีเหลือแต่กระดูกแลใหม่ที่สุดเออไก่ของกระดูกที่บัดลือกัน <c oughs> ผู้นั้นนำว่าท่านนั้นหลายจงพิจารณาหึกาย ธาตุ 4 ก็หมายถึงว่าโรค ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บปราศจากความอ่อนแอเชื่อว่าเป็นร่างกายที่ไม่ต้องใช้ยารักษาโรคกินแต่อาหารก็พอทีนี้ร่างกายที่จะเป็นโรคก็เพราะว่าธาตุ 4 ธาตุใดธาตุหนึ่ง ในความอุ่นมีบ้างแต่ขนน้อยไปคราวนี้ก็คักยุงความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็ปรากฏหรือ <c oughs> เหมือนนั้นว่าธาตุทั้ง 4 คงกันอยู่อย่างไรร่างกายก็ ถ้าฮะว่าเราจะไปจุดไฟในที่อับที่ๆเราถือไว้ฉายเข้าไป เมื่อนี้ธาตุไฟมันก็สลายตัวที่เห็นว่าคนตายเมื่อสิ้นลมปราณนั้นร่างกายเย็นชืดธาตุไฟ ความแห้งความแกร่งพอทุกคนก็ไม่สามารถจะต่อสู้น้ําได้น้ําก็ละลายธาตุดินธาตุน้ําที่มีอยู่ในร่างกายละลายธาตุดินก็จะเนือคนที่สุดธาตุดินถูกละลายมาก็กลายเป็นแข็ง นามก็พอต่อมามีการเน่าเนื้อหนังมันก็เลอะไปหมดธาตุดินเลอะสู่น้ำไม่ได้เมื่อธาตุดินธาตุน้ำนั้นหลาย มันไม่ไหลออกจากทวารวานอย่างเดียวมันซึมออกทุกจุดของร่างกายแต่ก็เป็นน้ําสกปรก <c oughs> เมื่อพิจารณาเป็นแล้วก็จะทราบชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมัน <c oughs> เลือดเป็นที่ปรารถนาของคนว่าเลือดดีแล้ว ก็จงมาดูว่าร่างกายของเรานี้มันก็มีสภาพอย่างนั้นพิจารณาเห็นเป็นของปฏิโกศัญญาว่าร่างกายสุกัปปโรคเค้าเรียกว่าสุปปสัญญาคือจํามันก็ทราบสึก ร่างกายของบุคคลอื่นก็มีพระกายสกปรกเหมือนกันเว้นนั้นว่าถ้าเราจะปรารถนา เราก็มองเห็นกันชัดๆว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของดีมันเป็นของเลวมันสุขก็ปรกฏทุกอย่างในพระพุทธเจ้าให้พิจารณาต่อไปว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีที่เต็มด้วยความสุขปรกฏว่า มันเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะ ร่างสบเมาชั้นใดร่างกายพวกเราก็เมาเหมือนกันร่างกายของมนุษย์คนอื่นก็เมาเหมือนกันก็ต่างคนต่างเมาเราก็จะไปรักคนเมาเราจะไปประคับประคองคนเมาหรือว่าเมาตัวเมามันจะรักกันมันจะประคับประคองกันก็ช่างมันอย่าง ที่เราปรารถนาและเข้าใจว่ามันดีและสะอาดมันสวยสดงามมีสดชื่นดีเราคิดอย่างนี้ทั้งหมดเราไม่ได้ เราไม่ได้คิดไม่ได้คิดคิดที่ว่ามันดีเลย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 แล้วก็จงจําไว้ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีมีสภาพเหมือนกันคือมัน เนื่องเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปถ้าว่ายัง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 วางเงินถุยไปก็ได้เค้าเรียก ไม่มีอะไรจะสอนณพวกนิดนี้เสียน้อยสินั่น ยังมีความทนงอารมณ์จิตยังพอกพูนไทยไทยก็เรียกว่าความเลวยังเลยหัวอยู่มีมนตราใครแน่พูดให้ฟังลดอารมณ์อย่างนั้นเสียว่าอะไรบ้างในโลกแต่ที่มันจะต้องทรงอยู่เป็นปกติธรรมดาของมันยอมรับหรือนับถืออย่างนั้น เกิดนาทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นนี่เราฟังกันมาหลายครั้งหลายเที่ยวแต่ก็ยังขาดสติ ยังติโน่นยังตินี่ยังถ้ายังติอยู่มากเพียงใดเรายังเลวมาก ที่สําหรับมหาติปัฏฐานในโสดิวัตรนี้สอนมา 3 รอบแล้วก็ไป 40 ก็ 2-3 รอบมรรคปตาจาราเข้าฟังกี่ เราฟังรู้จักประมาณใจรู้จักประมาณตัวไหร่ทําไมจึงไม่ได้รู้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้คําว่า คนประเภทนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่ ว่าเราน่ะเป็นกฎของธรรมดาเสียนอกจากจริยาที่จะผิดพระ อย่าไปแก้นายสุรันอย่าไปแก้อคติปทุอย่าไปแก้ที่บุคคลมาแก้ที่ใจเราเพราะทุก เรื่องประโศนาสิถาคานาคารหันฟังกันมาเยอะแก่เปล่าอย่างอย่าง ปรารถนาได้คนมีความสุขรู้ทั้งกฎธรรมดาแต่คนที่ องค์กล่าวตอบไว้ว่าก็รู้ว่ากายนี้มีอยู่เพียงแต่สึกตะว่าเป็นที่รู้คือเพียงสึกตะว่าเป็นที่รู้ธรรมดาของมันเป็นอย่างไร ถ้าธรรมดามันเลวถ้าว่าต่ออีกว่าก็ แล้วก็ทําตัวให้ได้ด้วยวิญญาสึกตึกว่าฟังแล้ววิญญาสึกตึกว่าได้ยินวิญญาสึกตึกว่าจํา ถ้าพิจารณาให้กายในกายเรียงๆอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่า ในด้านของมหาปฏิปัตถานะ